ข่ามพนุษน์ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับตําเนิดโลกกับตําเนิดชีวิตซึ่งได้พูดค้างมาเมาืมม่อข่าวที่แล้วนะครับสําหรับปัญหาเรื่องโลกได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธาศาสนาเราเห่งเข้ามาข้างในไม่แห่งออกไปข้างนอกคือการตอบปัญหาเกี่ยวกับโลกกระทัดในพุทธาศาสนาแห่งโลกอยู่ในตัวบุคคลชีวิตมนุษย์กรปัตินี้เป็นโลกโลกหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ลักษณะวิวัฒนาก า, ารของโลกในทัศนคตาพุาทาพธศาสนาจึงแสดงออกในรูปของปฏิจจสมุ ป, ปบาทนุริที่เรียกันว่าปฏิยากาปฏิยาตาสิบสองซึ่งในภายหลังในยุคที่มีอภิธรรมเกิดขึ้นแล้วแต่พัฒนาปฏิจจสมุ ป, ปบาทออกเป็นปัจจัยอีสี่สี่ประการด้วยกันดังปรากฏพิจารในคำทีมหาปทานส่วนในาศาสนาติดนิยมฝ่ายเทวะ คือภาสนาที่เป็นเทวะนิยมกับเอกเทวะนิยมนั้นแห่งปัญหายัทธนาการของโลกออกไปข้างนอกจากตัวจึงได้พยายามคบปัญหาว่าสมุติฐานของโอกาสโลกมาจากอะไรและเนื่นองจากวุฒิปัญญาของมนุษย์ในสมัยโบราณซึ่งยังคบปัญหาธรรมชาติแต่ความลี้ลับทางวิทยาศาสตร์ไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทาให้มนุษย์ในยุคโบราณ เกิดความเชื่อมั่นตรงกันในข้อหนึ่งคือถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างสารรค์โลกนี้เพราะะปัญหาเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเกิดในสมัยมนุษย์ยังเป็นคนป่าคนเถื่อนความรู้สึกอันนี้ตรงกันหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติในเอเชียยุออโรปหรืออเมริกาหรือทวีปใดต่างเท่าที่มีมนุษย์สมัยยุคปัจจุบันยังอยู่ความเห็นในข้อนี้ว่าโลกจะต้องมีผู้ผู้สร้างโดยเอาความรู้สึกง่าย อย่างความรู้สึกของคนว่าบ้านก็ต้องมีผู้สร้างฉันใดโลกก็ต้องมีผู้สร้างสาหรับให้มนุษย์อยู่ฉันนั้นความรู้สึกง่ายง่ายไปปันเป็นแท่ น, นเมื่อชาวพุทธประสบปัญหาในข้อนี้เขาตาปัญหาว่าถ้าโลกไม่มีผู้สร้างแล้วโลกเกิดจากอะไรในฐา น, น้าที่เราเป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาเราก็ต้องตอบไปว่าปัญหาหรือโอกาสของโลกนะ ทัศนะของศาสนาท่านกับปาตนาเราต่างกันทัตนะในศาสนาของเรานั้นไม่ต้องการจะไปเสียวเวลากุกคิดปัญหาอุบัติการของโอกาสโลกเราถือว่าชีวิตของม น, ละละนุษย์เราเป็นโลกโลกหนึ่งปัญหาทั ท, าที่ชาวพุทธเราคุคิดก็คือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เราไม่ต้องเสียวเวลาไปคุกคิดปัญหาเรื่องโอกาสโลกว่ามาจากอะไรแต่เมื่อท่านยักเยียดจะให้เราชาวพุทธพยายามตอบว่าโอกาสโลกมาจากอะไรแล้ว เราก็มีทางตอบได้ว่าลักษนาการของโอกาสโรกนั้นมาจากจุดที่เป็นอ น, นันต์จุดที่เป็นอ น, นันต์ทำไมตอบอย่างนั้นเพราะจุดที่เป็นอ น, นันต์ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการของส า, ากลจักรวาลทันทีสารถ้ามองจากทัศนคะของวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีเบื้องต้นกับเบื้องปลายคือจุดตั้งต้นของส า, ากลจักรวาลจะหาไม่พบในทัศนค์ของวิทยาศาสตร์นะครับ ทกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองเป็นวงจรอันนี้ก็ตรงกับหลักวัตถุสงสารในพุทธศาสนาเมื่อถือว่าทุกสิ่งอยู่ในวัตถุสงสารแล้วอะไรเป็นเบื้องต้นเราจะหาไม่พบเลยเพราะมันเป็นวงกลมจะไปชี้จุดไหนเกล่ไหนอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นได้ทั้งนั้นหรือจะไปชี้จุดไหนเปล่าไหนอันนั้นก็เป็นศูนย์กลางได้ทั้งนั้นคล้ายๆว่าเราเชื่อว่าโลกลมอย่างเนี้ยถ้ามีผู้ได้มาฐานบอกว่าถ้าโลกลมแล้วศูนย์กลางโลกอยู่ที่ไหน ที่ตรงไหนตอนก็ไป็นศูนย์กลางของโลกเพราะโล ก, กมันกลมจึงมีเรื่องําขันเกิดขึ้นในสมัยอ่ารัชกาลที่สามที่สี่ที่วัดระฆังมีพวกฝรั่งบาทหลวงไปลองภูมิสมเด็จพระพุทธ ajar าาโตพมารังศรีวัดระฆังข้าวถามบอกว่าอาทศน์นะในพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกแบนหรือโลกกลมตอนที่พรพุทธ ajar าาโตท่านก็บอกกับบาทหลวงพูกนั้นว่าทางพวกเราถือว่าโลกกลมถือว่าโลกกลม าบาดหลวงคนนั้นก็ถามบอกว่าทะโลกรวมแล้วศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนผมเด็ดท่านก็บอกว่ามไม้ทาของท่างลงมาจากกุฏิแล้วก็ปักรงดินหน้าบันไดกุฏิท่านเพระวศูนย์กลา ง, ง, างาโลกอยู่ที่หน้ากุฏิของท่านนี่แหละหว่างงั้นบาดหลวงนะ่ะหัวเราะตักชอบใจหัวเราะแล้วก็คิดถึงเออจริงของท่านด้วยเพราะว่าทาโลกรวมแล้วที่กรุงไหนมันก็เป็นศูนย์กลางให้ใครราเอาผลส้มมาผลหนึ่งนะหรือว่าเอามะนาวมาสักผลหนึ่งเราเอาเข็มไปกีดกรุงไหนแล้วลองลากเส้นสิ ลากเส้นไปร อ, รอบนี่ในที่สุดไอเส้นลากนั้นนะอ่ะก็จะมาสู่ให้จุดตั้งตนได้เพราะมันกลมไปนั่งศูนย์กลางโลกก็แต่ที่จุดไหนก็จุดนั้นเป็นศูนย์กลางได้พราะาว่าโลกกลมนะครับนีคนโบราณยุคร้อยกว่าปีมาแล้วก็ยังมีทัศนะท้าทายกับคนต่างศาสนาที่มาลองภูมิรองปัญญาอย่างนั้นที่วัดระฆังเพราะฉะนั้นถ้าพวกนักเทวานิยมเขาพยายามเค้นพวกชาวพุทธถามบอกว่าโลกเนี่ยนะมาจากไหน โอกาสโลกไม่มีมาจากไหนล้ววามาจากจุดอ น, นันต์เพราะว่าทศนาคารพุทธศาสนากับวิทยาศาสและวิทยาการทางอาวกาศตรงกันในข้อที่ว่าจุดตั้งต้นของส า, ากลจักรวาล น, นี้ไม่มีขอบเขตหรือสิ้นสุดพระคนจักรวาลมันว่งว่างจะเอาปีมาประมาณก็ไม่ได้เอาเวลาเอาอายุไขอะไรมาประมาณก็ไม่ได้โลกมันเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไป อย่างนี้หมุนเวียนเป็นวงกลมด้วยว่าอันนั้นจุดตั้งต้นจุดเบื้องปลายของมันเบื้องต้นก็ไม่ปรากุดเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏเนี่ยถึงจะติดตามเรลิตอภิน ญ, ญาอะไรก็ตายสาวอย่างโรฮิตตระเทวบุตรที่ได้ทูลกับพระพุทธองค์ว่าในชาติตัวเป็นฤาษีในชาติอภิน ญ, ญาจิตทิาะเพื่อจะไปสอบสวนต้นตอของโลกกระที่สุดของสกลจักรวาลน่ะทั้งๆ ท, ที่มีอภิน ญ, ญาออกได้เร็วอย่างนั้นยังไปตายตายแท ต่างทางนั้นเองไปไม่ถึงที่สุดของสกลจั ก, จกรวาล น, นี่เพราะเพ้งโลกไปในภายนอกทำเป็นโอกาสโลกเพราะฉะนั้นเราย้อนถามเข้าเป็นสตรีกุศลบอกว่าเมื่อพุทธศาสนามีทัศนะในเรื่องว่าวัตถุสง ส, สารมาจากสุขอ น, นันต์อย่างนี้แล้วขอถามท่านผู้ถามหน่อยสิว่าทัศนะของพุทธศาสนากับทัศนะของท่านนะอ่ะอันไหนที่เข้ากันได้กับหลักวิชาอาวากาศกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้อันไหนจะขัดแย้งกัน ลองถามก็ดูถ้าเราทดพิจารณาด้วยความคิดธรรมแล้วก็จะเห็นว่าหลักธรรมในพวกศาสนาเนี่ยเข้ากันได้กับวิทยาการทางอาวกาศกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าพวกศาสนาในโลกที่ได้กล่าวมาถึงเพราะพระพุทธองค์ไม่ใช้คําว่าานาปุพโกติสั้งสารติเมื้องต้นของวัตตะไม่ปรากฏเบื่องปรายก็ไม่ปรากฏวัตตะที่พระองค์เพ่งเนี่ยหมายถึงโอกาสโลกนะครับไม่ใช่วัตตะที่เป็นเร่ า, าง ร่างกายยาวานาคืออันเป็นสังขารโลกคือชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมาถึงโอกาสโลกภายนอกเพราะฉะนั้นวิทยาการทางโลกกระทักในพุทธศาสนาเราจึงควรภูมิใจว่าหลักการของเรานะ่ะไม่ได้ล่าหลังเลยเราได้ค้นพบจุดข้อเท็จจริงนี้ก่อนวิทยาศาสตร์จะเจริญถึงสองพันกว่าปีในสมัยที่นักวิทยาศาสตร์ของยุโรปในสมัยกลางที่พยายามคิดค้นว่าโลกนี้เป็น ผลกลมแล้วก็มีวัฏลัทธนาการมาจากหมอกเพิงซึ่งแตกมาจากดวงอาทิตย์อันเป็นหมอกเพิงใหญ่หลักการนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปสมัยกลางเมื่อคิดค้นอะไรขึ้นมาทฤษฎีเหล่านี้จะต้องถูกวงการทางศาสนาในข้างนั้นในยุโรปขัางนั้นคัดขันและพวกที่เป็นนักยาศาสตร์ก็จะถูกเอาตัวไปลงโทษตัดสินประหารชีวิตผลตะลังแตงด้วยวิธีเผาายตายทางเป็นบ้ากด้วยวิธีแขวนคอบั๊ก ผู้ศึกาษ า, าก็คือพระบาทหลวงนั่นเองผู้ศากษาในฐาน้ะที่ว่าได้แสดงทัศนะขัดแย้งต่อข้อความในคัมภีใบเบิร์นแต่ปรกฏการ์อันเป็นจุดดังท้อยเช่นนั้นะไม่เคยมีในพระบาทพุทธศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นฟิกดูหน้าหน้าใจแผ่นไหนประเทศใดไม่เคยมีที่เป็นเช่นนั้นกับพระบาพุทธศาสนาไม่จําเป็นจะต้องกระทําอย่างนั้นเพราะในเมื่อหลักการของญาตาิเหล่านั้นเองกลับมาเป็นข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้า ทยาศาสตร์ยิย่งเจริญมากเท่าไรก็ท่ากับเป็นสักขีพยานต่อความศัตรูของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นอันนี้เราในฐานะเป็นนักเผยแผ่ก็ควรจะปลุกใจชาวบ้านโดยเฉพาะชนชั้นนักศึกษาให้ตระหนัดถึงพระปัญญาคุณของพระบรมาศาสดาแล้วก็พูดในคานองควรจะมีโปปัสการต่าบั่งเล็กน้อยคือพูดบอกว่าเราจะหาภาษาศาสตรองค์ไหนที่มีทัศนะติในขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้ า, ามีไหมถ้าไม่มี เราต้อควรจะภาคภูมิใจแล้วที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธไม่ต้องเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือกลมด้วยว่าศาสนาของเราเนี่ยมีข้อคิดธรรมคือที่ไม่สามารถก้าวทังวิทยาศาสตร์มีั้งตั้งกับเป็นประปักกับวิทยาศาสตร์อันนี้เราควรจะปลุกใจอ่าผู้ที่มาฟังเราเฮยแผลในหมู่คนเหล่านั้นถ้าหากว่าเป็นชนชั้นนักศึกษาอยู่ด้วยคุณจะเชืย่ยวเห็นขอ้อเท็จข้อจริงในกรณีอย่างนี้และเราก็ควรจะใช้ปฏิบูชาถามผู้ทีมท่มาสักพวกนักเทว วิทยาในเมื่อเขาอ่านว่ามีพระเจ้าผูกสั่งแล้วเทคนิคในการวิทยาใช่ปฏิบูชาร้างก็อีกข้อหนึ่งว่าหากว่ามีพระเจ้าผูกสั่งพระเจ้าเป็นเหตุของโลกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถ้าเป็นเหตุของโลกแล้วอันใดที่เป็นตัวเหตุแสดงว่าอันนั้นจะต้องเป็นผลของเหตุอีันหนึ่งอ่าอันนี้เป็นหลักของการวิทยาหรือหลักลอยิกนะหลักลอยิกซึ่งโลกในทําวิทยาการรับรองแล้ว สิ่งใดที่มันสามารถเป็นเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งอสิ่งใดที่มาเป็นสิ่งใดที่เราถือว่าเป็นผลสิ่งนั้นก็ต้องมีเหตุสิ่งใดเป็นตัวเหตุสิ่งนั้นก็เป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งยอกย้อนซับซ้อนลึกเข้าไปกี่ระชันกี่ระชันเพราะฉะนั้นหลักกาันนี้น่ะทางพุทธศาสนาเราจึงถือว่าถ้ามีพานน่ะพ้นจากเหตุและผลทันพันไม่ใช่เหตุไม่ใชผล อ้ายังนิพพานยังถือว่าเป็นผลอยู่คือนิพพานท่านบอาเป็นผลของมากแล้วนะพระนิพพานตองไม่เทีย่ยบเพรสิ่งใดเป็นผลอันผลิตมาจากเหตุสิ่งนั้นก็ต้องสามารจะเป็นเหตุให้เกิดผลอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดผลสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นผลมาจากเหตุอันหนึ่งยอกย้อนซับซ้อนกันเข้าไปเหตุนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะแสดงเรื่องนิพพานธรรมแล้ว ตรงจรงยกว่านิทานนั้นน่ะพ้นจากความเป็นเหตุแบบพ้นจากความเป็นผลน ะ, ะมัคคิตเป็นเหตุพลัจจิตเป็นผลของมัคแต่พลัจจิตไม่เคยนิพพานตัวพลัจจิตไม่เคยนิพพานมัคคิตกับพลัจจิตเอานิพพานเป็นอารมณ์ตัวมัคคิจกับพลัจจิตเองนราไม่ใช่นิพานอ่าเพราะนะฉะนั้นจึงแสดงว่านิทานไม่ใช่ผลแล้วก็ไม่ใช่เหตุเนี่เราแสดงกับพระสนม ง, ง่ายอย่างนี้ก็เมื่อท่านคือว่าพระเจ้าผูกสร้างเป็นเหตุของโลกแล้ว ไม่หลักแหลอจิกคือปรัชวิทยาอันเป็นวิทยาการว่าด้วยเหตุผลพระเจ้าก็คือผลของเหตุอีันหนึ่งท่านจะยอมรับไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้ถ้าท่านไม่ยอมรับพระเจ้ามันมีใครสร้างได้พระเจ้าก็เป็นเหตุของโลกไปด่เพราะว่าไในคาพูดท่านเองท่านพระเจ้านี้เป็นเหตุเป็นผู้เป็นเหตุเป็นสุด้นเหตุของโลกเขาเป็นผู้สร้างผู้รังติด ถ้าอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องยอมรับโดยปริยายสิองพระเจ้าทรงเป็นตัวผลสื้อมาจากเหตุสิครั้งหนึง่งถ้ายอมรับไม่รอกเรายืนยันคำนี้ในเรื่องคำว่ า, าเหตุตผลเหตุผลเนี่ยยืนยันเขาเข่นในคํานี้กับเข า, า, ายยถ้าเขาบอกว่าไม่ยอมรับท่านไม่ยอมรังท่านก็ต้องมายอมรับเหมือนกันว่าพระเจ้ามเป็นผู้สั่งโล ค, คือไม่ได้มีเกี่ยวมีเยื่อใยเกี่ย ว, ยวยดองอะไรกับโลกเลยถ้าเอาพุทธเจ้าไป็ผู้ให้กาเนิดโลกแล้วผู้พระเจ้านั่นแหละจะต้องเป็นผลของเหตุอันหนึง่งเหตุอันนั้นคืออะไรละ่ะ แสดงว่าพระเจ้าม่เพิเป็นผู้สรพพัญยูหรือเป็นผู้สัพสพติอก่า็ยังต้องเพิดมาจากเพิดลิรพิคันหนึ่งต่อมานั่นก็คือพระเจ้าจะต้องมีพ่อแม่บิดามารดาเหมือนกันพระบระเจ้าเกิดเองได้มันยังไม่ต้องอาศัยเหตุอาศัยผลหากเช่นนั้นทําไมท่านจะยอมรับทฤษฎีทางพุทธลาวังไม่ได้พ่าโลกเกิดจากลัทธนาจารเกิดจากธรรมดาเกิดจากเพราะพระไม่ใช่คําว่าธรรมถิติธรรมนิยาม เนีโลกเป็นธรรมทีติธรรมนิยามโดยไม่ต้องมีเขามือพระเจ้ายื่นมือมาเกี่ยวข้องไม่จําเป็นทําไม่ท่านยอมรับไปได้ท่านติกับค้าคันพวกเราชาวพุทธในข้อติว่าหาว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยรู้จักแต่ผลไม่รู้จักเหตุนะเพราะว่ า, าโลกอาจะเกิดเอ ง, งลอยไม่ได้แต่ตัวท่าเองนะต้องกำลังจะรู้จักผลรู้จั ก, จก เ, หเหตุเหมือนกันถ้าหาว่าท่านจะยอมรับพระเจ้าสืบมาจากเหตุอีกอันหนึ่งแล้ว เราชา ว, ว ก, ก็ยอมรับเหมือนกันว่าโลกนี้จะต้องมีเหตุอันหนึ่งอยู่เบื้องหลังแต่อาก็่ท่านไยอมรับรพระเจ้าโดอพระเจ้เหตุอันหนึ่งเป็นผู้เกิดเองได้แล้วเราชาวพุท ก, ก็ถือว่าโลกนี้เกิดโดยหลักธรรมดาคือหลักธรรมธิปิชมณิยามตาดาเหมนตั น, นฉะนั้นท่านจึงไม่ควรจะ ม, มาตั้งข้อกัาา่าวประวัาิหักล้างจู่โจมเราชาวพุทธหาว่าพุณศาสนาเรามีไม่รู้จักพระจพเจ้าผู้สักรารู้จักพระเจา้าผู้สร้างพระหาว่าจะมีนะพระเจ้าผู้นั้นคืออภิชฌา ในฐานะที่ว่าเอาวิชานี่เป็นบอ่อเกิดของชีวิตของความของมรรคของความดวงวิญญาณที่ขมวเวียนว่ายตายเกิดเอาวิชาถ้าฐานะของพระเจ้าจะมีอยู่ฐานะของพระเจ้านั้นชาวพุทธถือว่าเป็นเอาวิชาซึ่งไม่ใช่สําหรับหน้าที่เราชาวพุทธต่อมาอ่อนวอนบูชาตัวมันท่านเราชาวพุทธถือว่าอาวิชานี่เป็นตัวที่จะต้องถูกทำลายไปเพราะเป็นต้นหน้าแห่งความทบกนานักการของสัตว์ตัวโลกผิดกระท่านท่านกลับไป สันเสริ่เยินยอผู้ที่สร้างภพให้กับท่านคือทรางโลก ก, ออกก็คือความทุกข์พระเจ้าผู้สร้างโลกนะ่ะได้สร้างโลกขึ้นอย่างให้วาหาสุขสมบูรณ์ทุกประการหรือหรือว่าส้าทั้งความทุกข์ไปด้วยถ้าโลกนี้มีแต่ความสุขขารมไม่มีเกิดแก่เจ็ดตายก็น่าจะอภิรม์ชื่นชมสดุดีพระคุณของพระเจ้าหรอกแต่ตรงกันข้าม โลกนี้ไม่ใมีสิ่งที่นาที่ลมอยู่ทุกเมื่อเชื่อยางนะประเดี๋ยวแผ่นดินไหวประเดี๋ยวโลกประบาดนี่ความทุกข์นานัต ก, การของมนุษย์โลกภัยไข่เจ็บใครสร้างมาใครบันดาลสิ่งนั้นมาจากอะไรนี่เราถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาพุทธที่จะไปอ้อนวอนกราบไหว้ท่านผู้ที่บันดาลให้มีโลคภัยไข่เจ็บให้มีโรคติดต่อให้มีไฮวาให้มีตัวเอ่อโลคพรพิษโลกจับตังให้บันดาลใ้แผ่นดินไหวให้บันดาลในน้ําพวมาไปกราบไหว้ไม่รงคอลหรอก กับกระทําบันดาลอย่างนั้นอ่ะมาทำสาวบ้าไปลงขอเนี่ยเพราะฉะนั้นศาสนาเขชาชอบพุทธเจ้าก็คืออวิชชาพระเจ้าและฐานะสร้งโลกก็คืออวิชชาอวิชชาคืออะไรคือความโง่ความอัญยานความไม่รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งจุดแรกที่นักปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาจะต้องกาจัดไปเรามีวิธีโติต่อเป็นนักวิทยาเท็นนักเทววิทยาอย่างนี้ ในที่นี้อยากผมอยากจะเสนอหนังสือที่มีค่าเยี่ยมที่ถ้าคุณเจ้าพกุกูควรจะมีประจำย่างทุกเล่มทุกทุกทก ท, ก ท, กทกอย่างไปในกรณีจะไปตอบต่ อ, อพวกนักเพลงวิทยาเขานะผู้บาดหลวงผูมิชแนลลี่แผลศาสนาเขาจะมาอย่างยีคุณจะตอบสนองโดยมาทาตัวาทีหรืออะไรแล้วเราควรจะมีหนังสือคู่มือเล่ม น, นี้พวกนี้นนนมหีหมดเลยไปซื้อเลยที่ว่ามหาธรรมนะี่แหละตอบปัญหาหรือพวกชื่อหนังสือว่าตอบปัญหาพระผู้เปเจ้า โดยคันเออิงเกอโซลที่มหาจุฬาล่าห้องจาหน่ายหนังสือมหาจุฬาจเป็นผู้จำหน่ายเล่นไปเจ็บาทควรจะมีทุกเล่นอยู่กับตัวแล้วนิมนต์พยาอ่านพระสามจบย่านาจบเดียวอ่านพระสารจบก็จะประทับใจจะได้จับาไว้แล้วคราวนี้ลองจั ก, กลมเม็เม็ดายที่จะไปตักวพวกนักเทวพิทยารับรองหงายหลังตึงเลยโดนขอความนี้เส็จโพไม่ต้องกลัวครับัววาีไม่ต้องกลัวอวา่า ตอบปัญห า, าพระผู้เป็นเจ้าครับชื่อหนังสือว่าตอบปัญห า, าพระผูเป็นเจ้าโดยทันเอ็ดอินเกอร์โซนทันเอ็ดอิงกอร์โซนนี่เป็นชาวอเมริกันเป็นลูกหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันแล้วก็แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นคัดข้านข้อความในคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่หน้าต้นกระทั้งหน้าสุดท้ายแล้วขู่ความที่คัดค้ามกลับมาสนาับสนุนคิศาสน า, า, าโดยกรรยายท่านอเมริกันไม่ได้รับถือพุทธนะและก็ไม่มีความรู้ทธศาสน า, า, าเลย แต่แกเป็นนักเหตุผลนิยมแต่บอกว่าแกรับขือศาสนาที่จเปียนไม่ได้ก็อะไรแล้วแกก็เอาเรื่องของในไบเบิลเน่ะขึ้นมาแฉโูยทีละข้อทีละข้อทีละเปราะทีละเปอาะขีนเอาไว้ใครแปลก็ไม่รู้ผู้แปลไม่ได้ใช่นั้นไม่ไม่ได้ออกคิวออกเสียงไม่รู้องซื้อเก่าที่มาตั้งสาสิบกว่าสี่สิบปีแล้วแล้วต่อมาในในงานฉลองสมณะฝากของท่านเจ้าคุณราชมิสุจิเมทีเกี่ยวอุปเตโน ซึ่งเป็นพระอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณ์นเนี่ยอ่าก็มีบรรดาพระนักศึกษาพิมพ์ถวายแสดงเป็นการแสดงมูทิตาอาระวะแล้วก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยจําหน่ายมีจําหน่ายนี่บนคนก็ต้อระวังนะครับหรือมีขาดไม่ได้นะเราจะไปนักปู่ต่อปู่ขีิตเตียนน่าจะอานหนังสือเล่มนี้นมันจะได้รู้าทาร เ, เท่าทันกุลเม็ดเสร็จปายครับว่ามียังไงบ้างหนังสือเล่มนี้นะมาจะชอบพวกเขียนพวกคลิ้เขาเขียนตำนานพวกเขาเอง ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเล ย, ยนี่เป็นคําพูดที่ยุติธรรมที่สุดเออถ้าเข า, าเป็นคนต่งางศาสนาอื่นเขียนมันก็เขาบอลงเมียงาศาสนาตัวชนะดูดีแต่จะยกย่องาศาสนาตัวดีาศาสนาอื่นเลวแต่นี่ไม่นยังไงเนี่ยนี่คนในาศาสนาเขาเองเขียนเขาไม่พอใจในาศาสนาพันธุบุตรเพราะเขาเขียนขึ้นแล้วตัวคนนั้นก็เหมือนนักไม่ได้นับถือาศาสนาใดใในโลกด้วยเป็นคนนักเข่าวหมอเาเป็นนักเหตุผลนิยมเราจริงควรามีประจํานะฮรคุณนี่หนีมาในซื้อแล้วอนนี้เราพูดมกไปอีก รมปนในข้อที่ว่าเมื่อแสดงในเรื่องของอุกาสโลกว่าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตสังขารโลกโลกคือชีวิตในหลักพุทธศาสนาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลักในข้อนี้มีข้อที่สำคัญก็คือว่าคาว่าวิชาเนี่ยคนมีท่านผู้หนึ่ง เป็นบัณฑิตที่ใครๆก็รู้จักชื่อเสียงปัต น, นี้ร่วงลับไปแล้วท่านแปลว่าอาวิชชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้อ้าวแปลอย่างนี้เข้าใจผิดนะถ้าอวิชชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผ้าละอันก็ดับในสิ่งซึ่งผ้าละอันก็ไม่รู้ว่าอะไรดับอะไรก็ไอ้ที่ไอ้ดับอวิชชาก็ฉันก็ไม่รู้ไม่งั้นจะดับอะไรลงไปบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้อวิชชาไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างท่านผนั้นแปลอ่าไม่ไม่อย่างจนั่น ถ้าคุณได้ไม่แข็งแ่งแล้วครับให้เอ่ยชื่อกดด่าคือคุณรู้วิธีการประการนั่นแหละแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้แปลงงั้นครับวิชาไม่ไดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เอาวิชาอะนะไม่ใช่ไหมผมไม่รู้อะไรเลยรู้ทั้งคำคือู่้รู้แต่ว่าเราไม่ถูกสภาวะนั่นแหละเอาวิชารู้ไม่ถูกสภาวะรู้ว่าไม่รู้ยกตัวอย่างนะฮะผมกทํามือไว้กำนี่เงี้ยแล้วให้ท่านถาย ท่ารู้ว่าในกำมือผมมีอะไรท่านก็บอกว่าไม่รู้แต่ที่ท่านไม่รู้ท่านก็รู้แล้วรู้ไหมฮะคือเขาบอกว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าในี้มีอะไรไม่ใช่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกกับตัวสภาวะไม่เป็นความรู้อวิชาคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องกับสภาวะตามเป็นจริงไม่ใช่เพาว่าไม่รู้อะไรทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะะ เป็นเช่นนั้นคำว่ า, าวิชาปัจยาสังขาราในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีสัพท์เทคนิคในทางธรรมะเป็นใช้สองคำนะปฏิจจสมุปบาทธรรมอันหนึ่งปฏิจจสมุปปันนักธรรอีกอันหนึ่งเของอ้ามาดีกันปฏิจจส ม, มุปปาราธรรคือทรรซึ่งอาศัยความประชุมพร้อมของเหตุ เกิดขึ้นปฏิจจาวัตุ ป, ป่าธาะคือทำอันประทังประชุมทำอันอาศัยความประชุมพร้อมขางเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ชื่อว่าปฏิจจสมุปปาธารรมส่วนปฏิจจสมปุปปนะธารมอีกข้อหนึ่งนั้นคือมาวิเคราะห์สับปะปฏิจจาวัตถอุปป น, นะหมายความว่า ทั้งการเกิดต่อกาซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยประชุมพร้อมแล้วเกิดขึ้นอายุตัวอย่างเช่นอวิธาเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปปนะธรรมในขณะเดียวกันสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปปาถธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนะธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปาถธรรมนามรูปเป็นปฏิจจสมุปปนะธรรม แปลว่าปัจจัยาการทั้ง12องค์น่ะตละองค์ตละองค์ล้วนเป็นทั้งปฏิจารสมุปปาธรรมด้วยเป็นปฏิจารสมุปปัญธรรมด้วยในตัวของมั น, นเองแต่อย่างนี้คือว่ายังประเด็นที่ผมพูดว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งนั้นมัก็เป็นผลในตัวมันเองซึ่งเกิดจากเหตุอีกอันหนึ่งนี่ตรงกัหลักอันนี้แหละตรงกลหลักที่ว่าปฏิจารสมุปปาธรรมกับปฏิจารสมุปปัญนนธรรมตรงทันอันนี้ เพราะฉะนั้นคาว่าอาวิชาปัจยาสัางข่าราในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีแต่ความไม่รู้อย่างเดียวหรือหมายความว่ามีให้ความไม่รู้ก่อนถ่ายหลังจริงมามีปฏิสนที่วินยานไม่ใช่ในขณะที่ปฏิจาสมุปบาทเริ่มต้น่อวิชานั้นอะไรไม่รู้อะไรที่มันไม่รู้สภาวะ า, ามเป็นจริงอะไรล่ะสิ่งนั้นคืออะไร สิ่งนั้นก็คือจิตนี่แหละจิตจิต่แหละจิตหรือวิญญาณเป็นผู้ที่มีรู้สภาวะถูกต้องตามเป็นจริงก็แปลว่าในเงื่อนต้นของปฏิกิริยาสมมติาบาปบาปนั้นมีข่าวมาเป็นอวิชชาแปลว่าใม่อวิชชานั่นแหละมันสวน้อย้ออะไรขนา ด, ดาตั้งแ่กลางตังอวิชชาขนานั้นต้นไมยถึงองค์ธรรมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นประธาน ทำหน้าที่เป็นประธานอาวิชชาก็จะเปรียบเนียเป็นกิริยาเป็นกิริยานะครับกิริยานี่จะต้องมีกาณะกาณะหรือซึ่งทาหน้าที่เป็นเจ้าของเจ้าของกิริยานั้นแล้วกาณะนี่ได้แก่อะไรจิตพว่างนี่แหละไม่ใช่ใครเพว่างกค่จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเพว่างนี่แหละเป็นตัวที่คุ่มเป็นตัวที่เป็นตัวที่โอบอุ้มอวิชชา ถ้ามะวาขั้นตอนระยะอธิษฐานอวิชชาเป็นเจตสิกธรรมโมหะเจตสิกเป็นโมหะเจตสิก อ, อวิชชาเนี่ยเป็นเจตสิกธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเจตสิกธรรมแล้วในที่ใดมีเจตสิกะในที่นั้นก็ต้องมีจิตเจตสิกรรจะเกิดขึ้นโดยตราบจากจิตเป็นประทับฐานไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงได้วิเคราะห์ คำว่าเจตสิกว่าเอกุปปาทานิโรธาจากเอกาลรมณะวัตถุกาเจโตยุตตาเดวิปัญญาตะธรรมาเจตสิกามตาเอกุปปาทานิโรธาจะเกิดขึ้นกระดับไปองค์เดียวกันคือเกิดเกิดท้อกับจิตดับกระดับไปพอ้องกับจิตเอกาลรมนะวัตถุกามีอารมณอันเดียวกับจิตเจโตยุตตาเดวิปัญญาตาสมบัติจิตห้าจิตสองดวง ทวิปัญญาธรามเจตสิกามาตาเวลาจะตายไปสไตพอมไปตะกิดด้วยนี่แหละชื่อว่าเจตสิกกรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อเอาวิชาเป็นเรื่อนต้นของวัตถะเป็นโมหะเจตสิกสงฆ์เข้าเขอ้าในอนกุศลเจตสิกแล้วจะมีเอาเจตสิกกรรมเฉยๆไม่ได่จะต้องมีองค์ธรรมให้ที่เกิดท้องโลกในเจตสิกนั้นองค์ธรรมนั้นคืออะไรคือผวังผวังขจิต เพราะเหตุที่ในประวังอันมีสาธรรมหรือปากันจะทาเป็นเครื่องเป็นฝ้าเป็นเหมือนน้ำฝาดข้าย้อนเหตุนั้นจึงได้ปรุงแต่งภบชาติให้สืบอพสืบชาติได้ต่อไปต า, ตามหลักของตาราท่านอธิบายคําว่าอาวิชชานะได้แก่ความไม่รู้ในอริยสัจนะฮะแล้วก็ความไม่รู้ในกรรม ในความเป็นไปของศัสตร์ว่าในอดีปัจจุบันอนาคตชื่อเป็นลักษณะของอวิชชาเพราะนันผู้ที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ไม่รู้ในสิ่งเหล่านียผู้นั้นก็คือจิตจิตนี้แหละเป็นผู้ที่ไม่รู้นี่ถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชชามาจากอะไรละ่ะถ้าจะสืบหาต้นตออวิชชามาจากอาสวะอาสวานังสมุปปาดาอาวิชญาสวัสติ เพราเหตุแห่งความเกิดของอาสวะอวิชชาจริงได้มีพฤติพฤติกรรมเป็นไปแล้วฉันว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอเตือนที่อวิชชาคืออาสวะอวิชชาอยังมีต้นกำเนิดคืออาสวะและอาสวะมันจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากจิตติเพราะว่าอาสวะนับแล้วว่าเครื่องหมักดองมันจะหมักดองอะไรล่ะก็ต้องหมักดองในพื้นจิต จิตเน่ยเป็นอุปมาว่าสิตน่ยเหมือนกับขวดนะอาสวะเหมือนน้าในขวดนั้นเป็นน้ําหมักน้ําดองในขวดเนี่ยพอจะเปรียบอันประกอบด้วยกายอาวะอา ส, สวะทิฐิอาสวะแล้วยังมาลงตัวอวิชาระวะอันนี้เพราะฉะนั้นเงื่องต้นของวัตะถะท่านได้ซืสาวเราเรื่องไปแล้วก็อยู่มาลงที่จิตนี่แหละเพราะจิตมีอัญญาประกอบด้วยสามโมหะคืออวิชา จึงได้ปรุงแต่งสังคตปรุงแต่งสังขารคณิชชาปัจจญาสร้างขาา้าราจึงได้ปรุงแต่งสังขารสางขารในที่นี้น่ะท่านหมายเอาปุญญาที่สังขารแต่ปุญญาที่สังขารแตเนินชาทีสังขารเอาสังขารต่างในข้อนี้เราต้องทำความเข้าใจคําว่าเหตุกือคาว่าปัจจัยซะก่อนเหตุกับปัจจัยต่างกนันอย่างไรคําว่าปัจจนะัยน่ะว่างมากว่างเหตุ เหตุนะ่ะตาหลักของพระบิดามท่านจำกัดลงเฉพาะมามําอย่างเดียวนะใ ช, ใช่ใช่ต้้งแตเหตุเอาอุปธรรมไมใช่เหตุส่วนปจนะัจจัยน่ะใช้ทั้งอุปธรรมนามธรรมแปลวาปัาาปจจนะัยน่ะมีอนามบริเวณกว้ากว้าเหตุ ates, ได้แก่เหตุถูกมีรูพาเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอะลูพะเหตุอโทสะเหตุอะโมหะเหตุ เท่านี้หมดเรื่องเหตุแล้วนี่เป็นเรื่องของเหตุถ้าจะชี้เขาเป็เหตุก็ต้อนให้หมายถึงหกอันนี้อนโลพโาโสาวโมหะอโะโลภาโทสาวโมหะในเหตุหกอันนี้งอกกว่านั้นไม่เป็นเหตุถ้าจะเป็นเหตุก็เป็นโล ก, กสมมติไปไม่ใช่เหตุในพระธรรมแต่คำว่ า, าปัจจัยนั้นกว่ากว่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาใช้ได้เป็นสาทานหมดปัจจัยต่างกว่าเหตุอย่างไร ตัจจัยแปว่าเครื่องสนับสนุนสิ่งมาสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนเหตเกิดสิ่งที่มาสนับสนุนเห้เกิดส่วนเหตุนับเป็นไายถึงว่าบอกเกิดด้วยตรงปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนเครื่องขนับสนุนเนี่ยมีมากมีมากมาเกินท่านจึงสรุปว่ามีปัจจัยทีสิสี่สรุปแล้วลงในปัจจัยที่สสี่ประการ ในผัดใช้24เกิดประการนั้นมีทั้งที่เป็นนามมาทำก ร, รูปธรรมหมดอยู่ในนา้นหมดมีหมดแต่ว่าข้อสำคัญนั้นอ่ะอยู่ที่เหตุเพราะคนเราทำไมมีโลภโทสะโมหะแล้วที่ไหนจะมาปรุงแต่งชาติภพที่ไหนจะมาเวียนว่าตายเกิดให้ให้เจ้าปัจจัยมาเป็นแรงสนับสนุนตั้มเตอไม่อีทีหนึ่งเพราะเหตุ น, นั้นอ่าเมื่อท่อยสะทงกวางที่สำคัญก็มาลงอยู่ที่เอกิเลส สังกองนี่นี่ยสําคัญเหตุสำคัญจริงใช่คําว่าเหตุในที่นี้เพราะฉะนั้นอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารนี่ได้กัเจตนาอันเป็นบุญอันเป็นบาปแล้วกับเจตนาที่เป็นอนเนนชาปนะุญญาีิสังขารขับปุญญาีิสงัสงสังขารอนเนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารนะ่ะในที่นี้มีมีข้อพิเศษ คาอบงำทั้งมหากุศลกับมหากตกุศลฝ่ายรูปาวจรคือว่าในกามาวจระกุศลครอบหมดยังครอบถึงรูปาวจะระกุศลด้วยเจตนาอันเป็นไปในกามาวจระกุศลทั้งหมดเจตนาอันเป็นไปในรูปาวจระกุศลทั้งหมดชื่อว่าปุญญาที่สังขารชื่อว่าชื่อว่าปุญญาที่สังขาร น, นะครับ ส่วนอนเนชาทีสังขารนั้นท่านหมายเอาอารูปาระคุศลเจตนาที่เป็นไปในอรูปาัระคุศลเป็นเป็นอเนชาที่สังขารส่วนอาปุญญาที่สังขารนั้นคือเจตนาอันเป็นไปในอกุศลจิตติดสองดวงอันนั้นเป็นอปุญญาทีสังขารดังนั้นคาว่าสังขารในความหมายทางพุทธศาสนาท่านก็ใช้โดยหลายในยักษ์หลายหลาย โดยโด ย, โดยหลายในยักษ์คือสังขารกว่างที่หมายถึงว่าสภาพดใพดที่อาศัเหตุปัจจัยปรุงแต่งสภาพนั้นชื่อว่าสังขารนีน่ันหนึ่งแล้สังขารที่หมายแค่รุ่นขึ้นมาอีกคือสังขารในขันห้าสังขารในขันหนะ้าน่ะหมายเอาเจตสิกธรรมทั้งหมดชื่อว่าสังขารอาศัยสังขารกว้างๆอย่างข้างนอกไม่ใช่หมายถึงเจตสิกธรรมสังขารละขัน สังขารขันในขันห้านะคืเจตติกธรรมนะทั้งหมดเป็นสังขารขันยกเว้นเว้นอะไรเว้นเวทนาเว้นสัญญาความจริงเวทนาขันกับสัญญาขันเนี่ยก็อยู่ในสังขารขันนะั่นแหละท่าจะว่าไปแล้วพ้าเวทนากับสัญญาอนะเป็นเจตสิกธรรมเป็นสัพจิตป่าพารนะเจตติกคือว่าตัวเจติตุกดวงมีหมดเวทนากับสัญญาแต่เหตุไงคนสัญญ า, ญญญาออกมาเป็นขันล่ะ เป็นสัญญาขันกเวทนาขันปังหาตัวเป็นขันหน้าล่ะก็เพราะว่าอนุภาพหรือกิดกิดของเวทนาแต่สัญญาน่ะมีมากกิดมันแรงทำหน้าที่แรงจักกล้าแข็งมากถ้าเวทนาทําหน้าที่เสวยสัญญาทําหน้าที่จําหมายหน้าที่มันทําน่ยมันแรงถ้าจะว่าแล้วมันก็เรียกว่าเป็นยาตามที่สอดแทรกไปทุกหน้าที่จะต้องมีมนันเข้าไปด้วยเหตุที่มันกิดมันมีมันมีมาก พระองค์จึงได้ยกหน้าที่ของมันออกมาเป็นอีกกองหนึ่งเป็นเบทนาขันปัญญาขันตางหากความจริงอยู่ในก็อยู่ในสังขารนั่นเพราะเป็นเจตสิกกรรมนี่อันนี้สังขานในขันหานี่ก็เป็นเจตสิกกรําอย่าไปชี้สังขารข้างนอกสังขารในขันหานี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตูโตกกระโถนใส่ปลากระโถนไส่ปลาตูดตกก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารสังขารในไตรลักษณ์คือเป็นสังขารจะไม่คิดดีกว่า อาศัยตัดใจปรุงแต่งก็ต้องแตกตัดแต่สังขารในขันหาน่านะรุ่นนั่นกว่าสิรุ่นแคลออกมาหมายถึงเจตสิกธรรมส่วนสังขารในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายเอาเพียงเจตนาอันเป็นไปในฝ่ายกามาวจรลูปาวจรลูปาวจรเจตนาที่มีกิเลสเป็นบทัศฐานเจตนาที่มีกิเลสเป็นบรทัศฐานนะเราบอกว่ากรรมสาเร็จมาจากเจตนาพูดอย่างนี้เป็นเยทูยไน ไปนืนคุยนายเราถ้าจะพูดในกระชับกระชับเราจะต้องพูดว่าการมใดที่เกิดจากเจตนาอันโสโครดหสโครคดเบกิเลสกรรนั้นจึงจะเผด็จผลคือวิบาศกรราที่เกิดจากเจตนาลำพังเจตนาอย่างเดียวไม่แน่จะเผด็จผลเป็นวิบาศเสมอไปถ้าอะไรเจตนานี่ก็เป็นสาทานนี่เป็นเจตติกสาทานเน่ยเป็นเจตติก เ sure. yeah. มื่ออาลยยากบุคคลผูอาฆาก็ต้องมีเจตนาไม่ไม่ไม่ไม่มีเจตนาจะทำถูกแล้อย่างเช่นผู้อาฆาตเนี่ยท่านจะไปช่วยเหลือใครจะไปเทศโปรดใครท่านก็ต้องตั้งเจตนาไปก่อนกว่าจะไปเทศโปรดคุณคนนั้นจะไปเทศตอบคุณนนั้นไม่เจตนาไปก่อนแ้วถ้าเราจะอ้าวกว่าโอ้นี่เจตนาเนี่ยผู้อาฆาก็ยังมีกรรมมาสิกรรมก็ต้องไม่มีบากไม่ได้เจตนาใดที่ส่อรบกวด้วยกิเลสตัณหาเจตนานั้น จึงอํานวยผลผลคือวิคือวิบากถ้าเจตนาใดไม่สหรคตด้วยกิเลสัญหาแล้วเจตนาอันนั้นก็เป็นอภัยกตาะลางกลางอยากเป็นกุศลอกุศลในดาเนี่เพราะฉะนั้นเจตนาในสังขารในปฏิจจสมุสมปบาทในที่นี้เราต้องย้ำแตะชับลงไปว่าเป็นเจตนาอัน ส, สหอสรคะด้วยตัญหา อันเป็นไปในรูปะ ใ, ในกามาวจรูปาวจรูปาวจ ร, ร, วจรทั้งหมดเ่อันนี้ถึงจะเป็นเป็นเป็นเป็นอวิชาปัจจยาสร้างคาราและสร้างคาราปัจจายาวิญญาณถึงถึงถึงถึงจะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณได้วิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏ ies, ิสนธิวิญญาณเขาว่าสังขารเนปัจจัยให้เกิดวิญญาณใน ท, ที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ เหตุนั้นท่านจึงจับเอาเอาวิชาจับฝังขานเป็นเป็นอตีตอัตตาเป็นอตีตอัตตาคือว่าเป็นอดีตเป็นองค์ธรรมของอดีตนะเรามีอวิชาเป็นเชื้ออยู่ในภวังเป็นเหตุให้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดขึ้นจากภวังมาสวยอารมณ์ทางทวารหกในขณะที่มาสวยอารมณ์แล้วเพราะ มำนาจปัญหาโสตฯคือกระแสปัญหาที่ว่าตัญหาโสตฯกระแสปัญหาเนี่ยถักดันเมื่อทําอะไรประสบอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจและที่เป็นกลางๆ ก, ก็เกิดเจตนาอันเป็นตัวสังขารอันเป็นไปในฝ่ายปุญญาบีสังขารแต่ปุญญาบิสังขา ร, ญญาขารหรืออเนิญชาบีสังขารเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาศัยสังสังขารนั้งสังกองนี่แหละ เป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณอันเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทราะที่สามคือสังขารปัฏิยาวิญญาณั่คือตัวปฏิสนธิปฏิที่วิญญาณโดยตรงธรรมาดาตัวปฏิสนธิวิญญาณถ้าเอาว่าเป็นไปในฝ่ายกามาวจรพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพบที่เป็นอัตตออาศัยชราอบุชาติกำเนิดเรามาอธิบายถึงโอปปาติกะละเพราะเราจะอธิบายถึงภูมิมนุษย์เห็นกันง่ายหน่อย เป็นส่วนชราลพุชาติกำเนิดในส่วนนี้ปติสมนทรีวิญญาณจะเกิดต้องอาศัยกรัชก า, ายกรัชก า, ายนั้นก็คือตัวตะลละลูกอันเป็นปฐมตะลละน้ำเชื่อของบิดามารดาเป็นปฐมตะลละร่างกายของมนุษย์ในชราภูุชาติกำเนิดนั้นร่างกายอันนี้เป็นผลของจากเลือดเนื้อเชื่อขายของบิดามารดามาผสมผสานแตบบ่ผู้ที่ขมครองห่าง ไม่ได้เกิดจากวิดามารดาผู้ที่มาครองล่างนั้นเป็นโัวของเราเองคือปฏิชนีวิญญาณในขณะที่ปฏิชนีวิญญาณยางลงสู่คันของมารดานั้นขณะนั้นพร้อมกับปฐมกันเราได้ตั้งขึ้นสมานเสมอแตบบ่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องทราบนะครับว่าปฏิชนีวิญญาณนะไม่เคยมาเฉพาะตัมาอันเดียวมันพาเอาเราวิชนิดหนึ่งมาด้วยนะและเวลาเกิดนะ่ะเวลาเกิดของมนุษย์ ในปัญจวูร์กาลภพนี้ได้พาอะไรมาเกิดไม่ใช่เอานาำมาเกิดอย่างเดียวเอารูปมาเกิดด้วยรูปนั้นคืออะไรกรรมวัตรสรูปโที่เกิดแต่กรรมโลกใหม่อารยัตรสรุปกับอุตตัตรสรุปนะเราหักมาหาในทุปัจจุบันอุตตวัตรสรุปกับอารยรรุปมาหาในทุปัจจุบันนะครับส่วนกรรมัตรสรปนั้นพามาแต่อดีตภพอดีตภพก็ปรุงมาเสร็จ ลง ม, มาเสร็จทีเดียวถ้าจะอธิบายให้เห็นชัดยิ่งกว่านั้นเปลว่าในกอ่อลจะใกล้าตายละเจ็บหนักเข้าขั้นโคมา่าไอ้ตอนโคม่านี่บารณาณาสะนวิถีเกิดแล้วบารณาณาสัวิถีจิตเกิดในขณะที่คกำกำเข้าโคมา่าบางคนอาจจะโกนเข้าโคมา่าไปได้บ้งก่อนจะตายสามสี่วันดีกว่าพรณาณาสรนตาเกิดนิมิตขึ้นสัพย์ที่จะตายไม่ว่าจะตายโงงหรตายรวดเร็วสักดาหไหนหรือว่าไม่รู้ตัว ถ้าถูกกโทษคโคลนเดียวตายก็าตามใจจะต้องมีนิมิตจะให้เป็นที่ยึดคือตรร ม, มาอารมณ์อันหนึ่งอารมณ์อันเกิดอารมณ์ดำธรรมนิมิตอารมณ์อารมณ์ อ, อ, อันเป็นเครื่องหมายแห่งดำแล้วก็คตินิมิตอารมณ์อารมณ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งการถือกําเนิดในภพหน้าสามอย่างสามอย่างนี้ม่ได้เกิดพริบพร้อมกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมควรจะถือเอาเกิดขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่งกรรมอารมณ์เป็นไปในส่วนมโนทวารอย่างเดียวกรรมในมิจฉารม์เป็นได้ทั้งทวารทั้งหกเกิดได้กรรมในมิจฉาร ม, เม์เนี่ยเกิดได้ทั้งทวารทั้งหกนะคตินีมิจฉารมนะ่ะเป็นได้ด้วยเป็นได้บ า, บางอางอจารย์ถือว่าเกิดกับมโนทวารอย่างเดียวบางอจาจ า, ารย์ถือว่าแม่นอกกว่านี้ในทวารอื่นก็เกิดได้ไม่แน่กรรมอารมณนะ์น่ะตัวอย่างเช่น เวลาจะบรานธรรมวิถีจิตใจเศ้าหมองอย่างหาต้นตายปลายเหตุไปด่เศ้าหมองหงุดหงิดทุรนทุรายอาการทรุรนทุรายนี่มันจะทรุรนทุรายจากรูปภัยไข้เจ็บนะหรื อ, รอถึงแม้ว่าเกิดจากรูปภัยไข้เจ็บก็สงเคราะห์เป็นกรรมะอารมณ์ได้เพราะว่าเมือ่อคนที่จะตายด้วยรูปทรมานมากๆเนี่ยต้องถือว่ามีวิบากอกุศลตายไม่สบายตายไม่สงบถึงมีอาการทรมานมากมาย อย่างคนเป็นโรคมะเร็งตายเงี่ยแม่ทรมานสาหัสตัเกินทรมานกระทั่งวินาทีสุดท้ายจะขาดใจคนเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งในคออย่างงี้แม่ทรมานมากป้อนนา้าป้อนข่าวหรือคนที่เป็นอ่าโรค ก, กลัวหน้าตายเวลาคิดคิดโรค ก, กลัวหน้า ม, มันขึ้นสมองเนี่ยถอนเป็นสุนะัขคลานเป็นสุนะัขนี่ยเหมือนหมาอยังไม่ทันตาเลยเป็นนี่เลยทั้งเป็นแล้วลงไปคลานสี่ปีมืนกับหมาแล้วถอนเสียงเหมือนหมาน้ําลายภูมปาก นี่ไอ้โรคัวหน้ามีลราเป็นแรงๆในบางรายมันไม่ทุกรายไปบางรายก่อนซึมแล้วก็าตายไปก็มีซึมๆหลังแข็งคอแข็งอยู่ได้สองวันก็ตายบางรายนะแต่ไอ้บางรายก่อนจะตายนะอ้ยหอนตังสองวันสองคืนกว่าจะตายแหมชาวบ้านชาวท่องฟังแล้วขนพองสยองกล่าวขอนเป็นเสียงสุนัขพิษหมาบ้ามันขึ้นสมองทำลายระบบประสาทหมด อย่างนี้ถ้าหากว่าอารมณ์จะพึงเกิดจกคุณคนนี้เวลาจะตายแล้วหากว่าเป็นกรรมะอารมณ์แล้วก็ถึงเอาอาการที่ใจนะ่ะทุรนทุรายอาการใจที่เกิดที่ปฏิสาม่มีความสุขจะเกิดจากคิดโลกก็ตามจะเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในภายในก็ตามนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าไม่มีใจเสวยแล้วที่ไหนจะรู้สึกยังงดูมันอยู่ที่ใจนั่นแหละ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 ถจุติจิตที่มาทำหน้าที่น่ะใช้เข้าว่าทําหน้าที่ดับภพในภพนี้เลิกกันทีเลิกกันดับภพในภพนี้ก่อนถ้าจุติจิตไม่ไม่เกิดตรับย์ตาราบยนั้นตายไม่ลงไม่มีทางตัยได้ถ้าจุติจิตไม่เกิดมันตายไม่ลงจุติจิตเนี่ยกิดเพื่อจะทําหน้าที่ดับดับภพดับภพปัจจุบันทําหน้าที่หมดเรื่องกันทีหมดเรื่องกันแล้วภพนี้พ่อจุติจิตดับไปแล้ว จุติดจิตตับไปแล้วปฏ <couples> <living> ิส <sw to> <worldwide> ุพ <mother> ท <com bey> <fuck> ี่จิตเกิดขณะต่อมาอันนี้ระว่ังจุติกับปฏิสุพที่เนี่ยไม่มีอะไรข้าศระหว่างกลางนะเป็นอนันตรปัจจัยด้วยเป็นสมนันตรปัจจัยด้วยเป็นเหตุปัจจัยด้วยเป็นอัิปัจจัยด้วยเป็นวิคตาปัจจัยด้วยไม่นอัคติปฏิปัจจัยด้วยเป็นตระชาติปัจจัยด้วยหลายอันถ้าเราเรียนปฎิฐานแล้วเราต้องอยรู้แต่เราก็ง่ายๆว่าอนันตรปัจจัยกับสมนันตรปัจจัย ไปในหลักพุทธศาสนาในเทราวะถึงย้ําเรื่องอ น, นันตัจจัยระหว่งังจุติจิตกับปฏิสนธิจนะิตนั้นเพราะอะไรในเรื่องนี้ก็ขอสอดแท้ที่ย้าเรื่องอย่างนี้นะ่ะก็เพราะว่ามีความเห็นทศนะของคณาจารย์ในต่างนิกายในต่างนิกายนิกายนั่นคือนิกายสครัวาสติวาทะเรียกในภาษาบาลีว่าสัพพิธธกวานิกายสัพพิกวา สราสกิดเรียกว่าเทะระวาสติวาทัศนิกายนี้เป็นนิกายคู่แข่งกันนิกายเทรวาในอินเดียมีมีกำลังมีคนนับถือพอพัดพอเหวี่ยงกับเทรวาทีเดียวเป็นนิกายในพุทธศาสนาเหมือนกันนะไม่ใช่ต่างศาสนานะในที่เนี้นิกายในพุทธศาสนาเดียกันกนี่แหละอยกนิกายกันนิกายเทระวาสติวะแต่เขาบอกว่าระหว่างจุงติ ก, กับปฏิสนธิหน่ะมีภพมาขั้นในระหว่าง พบนี้เรียกว่าอันตรภพอันตรพาวอันตรภพคือพบในระหว่างบุคคลที่ตายจากพบปัจจุบันจะต้องไปพักอยู่ในอันตรพาวนี้หรืออันตรภพนี้ไปพักหน้าตาเหมือนคนตามไม่มีผิดในระหว่างที่ไปพักเนี่ยในเรื่องนี้แหละชาวพุทธในเถรวาตเรายังเข้าใจผิดมาก คือไปความเข้าใจนในกายพู้ชาตพุทธในเทรวาสในเมืองไทยเราเนี่ยไม่เกิดความเข้าใจไปกรงในกายเระวาสติวัตเขาในเรื่องอันตรภาวูบอกว่าคนตายที่เป็นหีมาหลอกว่าอุ้ยเขายังไม่ได้เกิดเราเข้ามาหลอกเขาละเขาจะไปให้เกิดที่ชอบไม่ชอบคานะอย่ามาหลอกผู้เราคนเล ย, ขย เ, เขายังไม่ได้เกิดเมื่อนี้ถ้าเราคือดว่าเขาจะไม่ได้เกิดไปก่อนนั่นแหละเราถ้าเราเป็นนิกายสระวาปฏิวัตกําลังเป็นสังกัดนิกายเทรวาสติวัตไม่ใช่เทระวาส ก็ถือว่าคนตายแล้วยังไม่ไปเกิดอย่าไปมัเป็นผีเที่ยวร่องรอยหาที่เกิดบางคนก็เลยมาแปลคาว่าสัมภเวสีแปลว่านี่แหละสัมภเวสีเนี่ยคือผีละ่ะเที่ยวร่องรอยหล่อเขาขอส่วนบุญครับมาม า, มาโผล่ตามตาชาโผล่ให้คุณเห็นเนี่เป็นผีสี่โลนตินสารเนี่ยความเข้าใจของชาวทาไทยในเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ร้อยละเก้าสิบเ้าทั้งนั้นแหละเพราว่าตายแล้วยังไม่ไปเกิดไปเกิดยังเป็นผีอยู่ ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นนิกายสระบาสติวะเป็นพวกนิกายสระบาสติวาที่ถือว่ามีอันตรภาวูคือมีทุกอยู่ระหว่างจุติกับปฏิปสมธิเที่ยงจ้องเที่ยวหาทางอยู่ว่าจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดในท้องหมาหรือไปเกิดท้องแม่หรือไปเกิดท้องคนหรือเกิดท้องพญามหาอสัต์นี่กำลังหาช่องหาทางอยู่เมืก็อย่างนี้ว่าทำไมเวสีผูุสึยหาพุกข์เน่ก็ต้องมีอะไรล่องลอยอ ย, อยู่ว่าสิวิ ญ, ญญาณล่องตายแล้วไปล่องลอยสิไม่ใช่ ไม่ลองลอยไม่ได้เราเ ญ, ญ็าณน่ะนี่คำว่าสัมภเวสีในที่นี้น่ะในหศัศกถาขุนพกขุนทกาบาทชื่อว่าประมัตโชติกาซึ่งรุจนาโดยท่านธรรมปาราชธรรมปราราการาท่านแกบอกว่าสัมภเวสีผู้สแสวงหาสมภพได้แก่อย่างต่ำคือสัตว์ในโลกรรมอย่างสูงคือพระนาคา คือเป็นสัมวัยสีหมดท่านแก่งั้นเพราะอะไรเพราะว่าสัปดังกล่าวนั้นยังมีภาวะเนติภาวะเนติหรือเพราะว่าปัญหายังมีเพราะว่าราคะมีภาวะเนติยังพอใจที่จะสมภพพูดง่ายๆว่ายังมีเพราะว่าราคะอยู่ถ้าราคายัางมีเพราะว่าราคาอยู่สิทำไม่มีแล้วจะไม่เกิดในสุทาวาคือนี่มี นั้นเพราะว่าปัญหาหรือเพราะว่าราคานี่แหละผู้ใดยังตกอยู่ในข่ายของเพราะว่าปัญหาผู้นั้นชื่อว่าสรมเวสีเพราะเหตุนั้นสัมเวสีไม่เสร็จแปลว่าวิญญาณที่เราหลองลอยต่องหาที่เกิดไม่ใช่แต่หมายถึงพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอยู่นี่เป็นรัมเวสีทั้งนั้นเอาเพราะเรายังมีเพราะว่าปัญหาอยู่มันต้องเอาไฟแล้วไปตอกเป็นอยู่นี่แหละเป็นสัมเวสีกันแล้วเบื้องต่าสัปเพโลกันนะเบื้องสูงถึงสุทาวาคอมโลก ตราบใดพาะวาราคะยังตัดไม่ได้ตราบนั้นคือสัตถุเวสีถ้าไปแปลว่าัมถุเวสีคือวิญญาณขาช่องเกิดอย่างนั้นเป็นอันตรภาโวของนิกายตรวาวิสวาซึ่งเป็นนิกายหนึ่งแต่มาจากเทราวต่อไปเพราะเหตุนั้นตามคติของเทรวาตจึงกล่าวว่าเมื่อจุติจิตเกิดแล้วดับไปจุติจิตนั่นแหละเป็นอันันตรปัจจัยแก่ปฏิผลที่จิตอุปมาเหมือนหนึ่งบุรุษผู้มีร่างำำํายํา จับสายเท้าวันระหว่างฝากเหวข้่งขวาแล้วหู่นตัวเข้าเหวไปสู่ฝั่งข้างซ้ายฉันใดมติตุติติดดับแล้วมติสุนทิเก้าอย่างในายพบใหม่ก็อุปมาอุปไมยฉันนั้นเหมือนกันเก้าวยากออกไปเป็นอย่างนั้นย่างาอีกฝั่งหนึ่งไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นเลยไม่มีเลยอันนี้ อันนี้ก็ปฏิสมพทิวิญญาณี่มาเกิดใหม่นี่ย่ะได้พาเอากรรมัชรูปมาด้วยนะกรรมัชรูปปัจามาาันพามาด้วยแล้ ว, วกรรมัชรูปเนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่วันเห็นได้กระทบได้ไม่ได้กรรมัชรูปเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้รู้ได้เป็นธรรมารูปรู้ได้เป็นรูปละเอียดติดมากับปฏิสุพทิจิตปฐมปฏิสุพทิขณะ อย่างลงสู่คันของมารดากรรมชรุปก็มาท้องเพราะฉะนั้นบุคคลถ้าจะถ้าจะเป็นหูหนวกตาบอดเป็นใบเป็นบ้ามาแต่กําเนิดแล้วร่างกายวิกลวิการมาแต่กําเนิดแล้วกรรัชรุปในปฏิสุธิขณะจิตที่ยังลงสู่ตะละละในมดลูกของมารดานะ่ะมันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะทำใหพิการแล้วแต่ถ้ามาพิการภายหลังระหว่างตั้งครันนะ่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ ไอีกประเด็นหนึ่งไอค้คำว่าพิการในที่นี้เมันหมายความว่าพิการที่ติดมาพร้อมกับปฐมปฏิสนธิขนาดเนี่ยติดมาพร้อมกันจากอุตสากุหกรรมที่ทํามาหรือจะเกิดมางดงามยิ่งกว่านางสอาอภัสราของสกุลก็หมายความว่าต้องงามติดมาจะมาเป็นเชื้อจะมีเชื้อนามมาแล้วตั้งแต่กระวชรูปปฐมปฏิสนธิขนาดนั้นแล้วนะจะมาเกิดมาที่นี่เพื่อหน้าตาน่าเสียหน้ากลัวองให้คนอยากหนี ก็ติดมาตั้งแต่ปฐมปฏิสนธิขนาดแล้วเนี่อย่างนั้นถึงจะสงเคราะเป็นกรรมชรลุแต่ถ้าหากมาวีกลวีการในข้ามกลางระหว่างที่ยังอยู่ในคัน ร, ระหว่างสิบเดือนภายหลังปฐมปฏิสนธิขนาดล่วงไปแล้วอย่างนั้นไม่นับไม่นับนั่นเป็นเหตุปัจจุบันไม่นับเหตุในอดีตไหมครับว่าถ้าลูกประทับที่จะวีกลวิการอันเกิดจากอำนาจวิบากของอกุศลที่เกิดจากอาดีตตรงมาข้ามพบอันนั้นต้องมาพร้อมกับกรรมชรลุ ในปะฐมปฏิสุขทีขณะอันนั้นแต่ถ้ามาตาบอกเขาว่าแม่ไปกินยาผิดเช่นในประเทศเยอรมันมีเล่าเมื่อเรื่อนี้มีเล่าว่าวียาขนานหนึ่งหญิงมีคันกินมันแล้วออกออกมาแขนด่วนขาด่วนเนี่น้าเสียบหน้าตัวเป็นจำนวนพันพันลายเกิดเด็กที่การน้ำพันพันลายกระทั่งรัฐบาลจะต้องประกาศห้ามยาชนิดนี้ชี้แจงโทษยาชนิดนี้ทั่วโลกอย่างนี้ไม่ถือไม่ถือว่าเด็ก เกิดนะพี่กุลมีการอย่างนี้นะเกิดพร้อมกับกรรมฉลูปในปัปติปฐมปฏิสนทิขณะไม่ถือไม่ถือเป็นอเหตุสุกกะปฏิสนทิถ้าเกิดมาเป็นบ่าเป็นบ้าปัติไม่เต็มเต็งภายหลังเพราะอำนาจนิจยาที่แม่กินเข้าไปหรือเกิดเพราะพิการแม่ไปหกตู้ที่ไหนเด็กในท้องเกิดพิการอย่างนี้ไม่นับตัดทุกปฏิสนทิไม่ถือเป็นอเหตุสุกกะปฏิส น, นทิ แต่ถ้าหากว่าจะถือเป็นอเหตุุุกกบปฏิสน ธ, ธิต้องถือตั้งแต่ประคมธรรมชาตที่มาพร้อมกับปฏิสน ธ, ธิขนาดผิดถึงจะถือนี่ก็พูดยากเราไม่มีที่ประจกักษ์สุงแล้วก็ดูยากว่าคนคนนี้จะเป็นไอเหตุหตุุกกาบหรือไม่ไอเหตุุุกะหรือหรือ ห, อหอจะมาเป็นกันทายหลังนี่พูดยากนะครับอันนี้เนี่เพราะฉะนั้นหลักการในพุทธศาสนาอันนี้ก็เข้าหลักกับวิทยาศาสตร์อีกข้อหนึง่งคือว่าทางพุทธศาสนาไม่ได้อ้างบอกว่ า, วา ชีวิตจิตายกับร่างกายเราเนี่ยมาจากวิญญาณในชาติก่อนอย่างเดียวเรารับเนื่งปัจจุบันด้วยคือรับเรื่งกายเนื้อกายเนื้อเป็นของหมายที่เราหาหมายพ่อแม่หาให้เราถ้าจะเตียบล่างกายนะเหมือนกับเรือนร่างเหมือนกับบ้านร่างกายของเราเหมือนบ้านตัวเรานะี่ยเื็นผู้อาศัยในบ้านนั้นไอ้ร่างกายหลังนี้เนะี่ยก็มีพ่อแม่เป็นผู้สร้างให้เรา บัติทนที่จิตนะ่ะคือผู้อาศัยในร่างในในในในเรือนในรือนหลังนี้พ่อแม่สร้างเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเกิดมาก็หน้าตาเป็นฝรั่งผิวขาวสินี่โกเกิดมาก็ผิวดำสิผมหยิกสิอหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนยา่าไปทำเลือดพันทุกตัวนี่แต่ว่าไอ้นามาทำหรือคุณสมบัติของใจเนี่ต่างกันพ่อแม่เป็นมหาตูนลูกเป็นท่าอรหันต์ก็มี ไม่จำเป็นว่าลูกคันของพ่อแม่จะมาทําให้จิตใจขาหลูกพอเป็นโจรไปด้วยหรืออย่างโชแป้งมูซาดนักดนตรีนักเพลงมีชื่อของยุโรปก็องไม่เคยปรากฏว่ามันเ บ, บริษของท่านเหล่านี้น่ะคือต็นนักดนตรีอะไรมีชื่อนักหนาะอย่างนักชีววิทยาชอบอ่านกันบอกว่าคนาเราจะง่้นี้จะฉลาดนะอยู่ที่ครบเลือกซึ่งสืบมาจากกรรมพันธุ์ของบิดามารดาปู่ย่าตายายหา ก็ต้องมีพ่อแม่ปู่ย <im ่าตายายคนใดคนหนึ่งเป็นคนเก่งหรือเป็นยีเนียสหรือว uh ่าเป็นไดคอนสวรรค์คอนพิเศษอะไรมาลูกเต่าเกิดมาจริงๆอัจฉริยะว่ายนั้นแต่ข้อเท็จจริงหลังจากการสืบสวนวัดไอคิวะหํารวจดูชีวประวัติเบื่องหลังของบรรพบุรุษของอัจฉริยะบุคคลต่างๆทั่วโลกแล้วไม่ปรากฏว่าอัจฉริยะเหล่านี้เคยมีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเป็นอัจฉริยะเลยไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏเลย ข้อนี้จึงเป็นการค้านสมมติฐานของทีบะวิทยาทางวัตถุที่จะอ้างว่าคนเรานี่ยชาติโง่มาจากเลือดของบรรพบุรุษไม่จริงไม่จริงเลยนี่และแต่เป็นการค้านนั้นเราทั่วโลกเขาได้ตั้งสถาบันสำรวจอดีตประวัติบรรพบุรุษของนักอัจฉริยะทั่วโลกไม่เคยปรากฏว่ามีสายโลหิตที่เป็นอัจฉริยะเลยไม่ปรากฏอย่างไอสไปนตัวอื่นก็ดูไอสไยน์เนตัวอย่าง ผู้ผู้คิดทฤษฎีสัมพันธภาพนิยม ผ, ผู้คิดผู้คิดทฤษฎีสัมพันธสัมพันธภาพนิยมและผู้ที่คิดมิติที่สี่นิติที่สี่ได้กล่าวไว้ไอ้สไเนี่ไม่เคยมีบรรพุทที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือ I Q, มีไอคิวมีความเปลื่มคลากอย่าง I ไอ้สไปนี่ปรากฏไปถึงเจ็ดช่วงโคตรสอบสวนย้อนหลังแล้วไม่มีเลยอย่างนี้แล้วเขาต้องยอมรับอยู่ข้อเดียวว่า คุณสมบัติในจิตของไอ้ทรายน่ะในภาวังของไอ้ทายน่ะเป็นคุณสมบัติที่อบรมมาแต่อดีตภพอบรมมาแล้วความฉลาดอันนั้นน่ะความจะเป็นอัจฉริยะอันนั้นอบรมเป็นเชื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าไอ้ทรายจะไปเกิดกันในท้องใครถึงแมาไปเกิดในท้องคนา่าคนงูไอ้ทายก็ต้องฉลาดแหวะเทาแตกแตกล่าวพาพาก็มาจนได้อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างบาชิอเมทีมีชื่อของโลอย่างคงตื้ ก็มีเคยปรากฏว่าบิดามารดาหรือต้นวงศ์สกุลเป็นคนฉลาดหรือเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญามา ก, ก่อนไม่มีเลยแต่คงเจี้ก็กเป็นคนพาเราพาก็ออกมากลายเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในบูราพาทิศนี่เป็นตัวอย่างใกล้เข้ามาเราดูสัจยาองค์ของพ ร, ระพุทธองค์ตลอดสายสัจยาองค์ซึ่งเถือไปแต่สายพระเจ้าโอกากราก็ไมีเคยปรากฏว่ามีเมจ้าสัจยาองค์ไหน ที่จะมีความเปลืองปราดแต่ขาดในทางสติปัญญาเยี่ยมยอดเข็มคำวิจาเลยไม่มีเลยเราดูตัวอย่างใกล้ๆในสายสกยาองค์ก็พอไม่มีถ้ามีก็ต้องมีเขียนไว้บ้างแล้วประวัติในหนังสือพระประวัติที่แต่งในฉบับต่างๆขึ้นมาในฤกษ์ยิ่ตระในดีวียาภานได้พรณนาถึงอดีตชีวประวัติของเจ้าสกยาองค์สำคัญสำคัญที่เป็ น, นบนรพบูรุษของพระพุทธองค์เนี่ย ไม่เคยพานาในทางที่ิกส์เป็นนักปร่าดไม่มีเลยแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ะองค์เป็นปร่าดทิ่งกว่าปร่าดอันนี้ก็เห็นได้แล้วว่าเรื่องเลืดเรื่องกรรมพัน์ในทางชีววิทยานะเป็นสมมติฐานอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต่อ ป, ปัญหาทางนามธรรมไม่ตกจริงเลยโยกรองไปให้ยังขอไปตีขอไปทีว่าเป็นรุ่งมันทะมุุดนะไอความไม่อาจริยะของคนเนะี่ยทาไปเช่นนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ต้อ ง, ต, องต้องหัวยอมรับทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิด กรณีทฤษฎีการเรียนไหวตายเกิดเป็นสิ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ทางวัตถุยังวิดไกไปไม่ถึงไม่ใช่ว่าเขาปฏิเสธนะนักวิทยาศาสตร์ที่แท้แล้วเขาไม่กล้าปฏิเสธเป็นเี้ไม่ตายเกิดรองเขาเพียงแต่บอกว่าเป็นสิ่งซ er, <blem cht> ึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองไอ้พวกที่ปฏิเสธพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์เก๋วิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์เทียมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จริงวิทยาศาสตร์จริงอย่างเซอร์เจนกีนนักวิทยาศาสตร์มีชื่อของสถาบัน ตั้งจิตหรือปัญหาเรื่องสารพบหรือเรื่องวิญญาณประสาทโดยจริงๆก็ตอบอย่างชนิดวางภูมิของความเป็นปรากของตัวบอกว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงมากนะข้าพเจ้าเชื่อว่าในในในสิ่ ง, งต่างๆซึ่งความวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในนั้นด้วยตราบใดที่วิทยาศาสตร์ของเรายังพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ สิงเหล่านั้นว่าจะเป็นของไม่จริงไปเสียเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคําพูดที่น่าจะยกย่องสําหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างเซอร์เจมจีนไม่ใช่ว่าอึกอ่ก็ปฏิเสธว่าไม่มีเพราะโลกไม่มีโดยอ้างหลักทางวัตถุบอกว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าไม่มีเนี่ยผู้ที่อ้างอย่างนี้ก็โดยมากเป็นนักวิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์เก้หรือว่าผู้งานวัดตีเสมอนักวิทยาศาสตร์ความจริงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จริงซะหน่อยคือว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงก็จะต้องรอการพิสูจน์ ก็มื อ, อยังความก้าวหน้าได้วิทยาศาสตร์ไม่มีใครบังอาจที่จะกล่าวได้ว่าได้ถึงจุดจบของการพัฒนาของมันแล้วใครเลยจะรู้ว่าอีกร้อปีสองร้ปีข้างหน้าเราจะไม่สามารถจะค้นพบในเรื่องบาระโลกหรือเรื่องอากายต่างๆอันเหนือวิสัยของสามัญมนุษย์นี้หรือในทวิทยาศาสตร์ยังก้าวหน้าไปเรื่อยๆความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก้าหนึ่งก็เป็นการหักล้างทฤษฎีเก่าๆของทางวิทยาศาสตร์สมัยก่อน ที่ค้นพบมาทีละเปลาะสองเปอาะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนมีคนเชื่อกันบอกว่าเส้นตรงในโลกนี้มีเชื่ออยงนั้นเชื่อกันมานานต่อมาก็ถูกคัดค้านว่าเส้นตรงนี้ไม่ได้คือเส้นตรงนี้ท่านลาวลากยาวไปแค่ไหนก็ตามไในที่สุดเส้นตรงเส้นนั้นจะต้องมาหาจุด ต, ตั้งตรงของมันใหม่เพราะอะไรเพราะโลกมันกลมเพราะถ้าเส้นตรงในโลกนี้ที่มีไม่ถได้ลากไปลากมาแล้วก็มาเวนมาหาที่เก่าอีกนั่นแหละนี่ เป็นเรื่องปรื่อนี่เป็นเรื่องข้อที่จริงสมัยเล่ายาวสาวสมัยหนึ่งเชื่อกันบอกว่าอนูนี่แหละเป็นอนันติมาของวัตถุไม่อย่อยลงไปแล้วคืออนูต่อมาก็เชื่อว่าอนุยังแ ย, ก, ยกตัวมันเองได้เป็นปรมาณูเดี๋ยวนี้ปรมาณูก็ไม่จริงอนูก็ไม่จริงเพราะทั้งอนุกับปรมาณูล้วนแต่เป็นวัตถุย่อยสา ม, มารถสลายตัวมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพลังงานถ้าหากว่าปรมาณูสลายตัวไม่ได้แล้ว ให้ดูยินบอมก็ไม่เกิดประมาณูบอมก็ไม่เกิดที่เกิดให้โรเยิ่งบอมเกิดขึ้นได้น่ะก็เป็นการตักล้างทฤษฎีเมื่อประมาณูไม่สามารถสลายตัวไม่สลายดุสลายตัวได้เด็กลายเป็นพลังงานเป็นเป็นเป็นพลังงานเมื่อตั้งปัญหาถามนักวิทยาศาสตร์ว่าแรัศลังงานล่ะมันเป็นความจริงอันตรมา้อย่างนั้นหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันต้องละลายตัวมันเองได้อีกเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้อีก สิ่งใดยังเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้สิ่งนั้นก็เป็นการต้องในตัวมันเองว่ามันจะต้องเกิดมาจากสิ่งสิ่งนึงเพราะฉะนั้นการค้นควา้ายังไม่มีที่สิ้นสุด